ฮาโลตาก็อตอนนี้ก็คือมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ตรงไปตรงมาเหมือนมันได้ได้บทขึ้นค่ะแล้วท<อ>ี่ที่ฟังเขานี่เข้าใจยังไงช่วยช่วยก็ะกาศเอาแกนออกมาถึงใจห น, น่อยสิก็คือเหมือนจริงๆมันเป็น ถ้าถ้าจำลองมันเป็นเหมือนชัยๆายว่าเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปสังขารทั้งหลายก็มีหน้าที่ปรุงแต่งตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้รู้ที่เป็นความว่างเดิมแท้ของเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านแล้วถ้าเรารู้สึกว่า เรามีหน้าที่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือเหมือนปล่อยให้ทุกอย่างทํางานไปก็สักแต่ว่ารู้อะไรเงี้ยค่ะนะน้ะนะตอนนี้คือคือก็ก็ดูไปแบบนั้นเราก็เพียรอย่างเดียวนะเพียรมีสติไม่ใจ่ว่าไปไปเพียรรู้ถ้าเพียรไปดูรู้อะไรเนี่ยเท่ากับไม่มีสติคือมันจ้าขันห้าไปรู้เราเพียรจะมีสติเท่านั้นเนี่ย มันก็จะรู้เองคําว่าเพียรมีสติถ้าเร า, เ, าเนี่ยเปรียบเทียบอย่างเนี้ยมันก็ดีคือเราเปรียบเทียบว่าสังขารเนี่ยทํางานเหมือนในในบ้านนี้ทั้งหมดเหมือนเหมือนทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยของลูกน้องเขาหมอก็ทํางานอยู่ในบ้านนี้ทุกคนอยู่ในบ้านเนี้ยทุกคนอยู่ในบ้านนี้ทั้งหมดเราเพียรให้มีสติอย่างเดียวคือเพียรสติเนี่ยให้ใจมันอยู่กับบ้านอย่ามือเผลอเพลอเอาใจลอยออกไปนอกบ้านมันก็จะรู้เรื่องในบ้านของมันเองอ่ะ เปน็นอัตโนมัติว่าใครทํางานอะไรเดินไปเดินมากันเต็มเหมดนะในในบ้านเนี้ยก็เดินไปกันเดินมาเต็มไปหมดเลยเนี้ถ้าเราเนี่ยมีสติคือไม่เอาใจลอยออกไปส่งจิตออกนอกไปนอกบ้านไอ้เจ้าของบ้านก็อยู่ในบ้านนะใจมันก็อยู่ในบ้านไอ้ใจที่รู้มันอยู่ในบ้านไอ้ใจที่รู้อยู่ในบ้านมันก็เลยรู้เรื่องในบ้านทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามรู้เพราะมันอยู่ในบ้านมันก็เลยรู้ทุกอย่างในบ้านคนเดินไ ป, ไปเดินมาเดินไปเดินมาก็มันก็รู้หมดเลว อันนี้ถ้าเราเนี่ยสติขาดคือเจ้าของบ้านคือใจอ่ะมันอยู่ในบ้านมันไปไหนละใจไม่อยู่กับตัวมันไปอยู่กับคนนู้นคนนี้ไปอยู่กับเรื่องของคนนั้นคนนี้ไปจชื่อเขากิดคิดแตงข่าวไปห่วงใยส่งออกไปนอกบ้านเขาเรียกว่าสรงจิตออกนอกอันเนี้มันก็ไม่รู้เรื่องในบ้านของตัวเองไม่รู้เรื่องของกายและใจตัวเองมันก็จะไม่รู้เรื่องของกายและใจตัวเองในบ้านเพราะฉั้นกายและใจตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเนะี่ยกายกระจายตัวเองก็เหมือนบ้าน แล้วถ้าใจเราอยู่ในบ้านมันก็เลยรู้เรื่องของกายและใจเราเองโดยอัตโนมัติคือรื่เรื่องในบ้านของเราอัตโนมัติเพราะเราอยู่ในบ้านใครมาทำอะไรในบ้านเราก็เลยรู้แต่ถ้าเราเนี่ยส่งจิตหรือส่งใจออกไปนอกบ้านมันเลยไม่รู้เรื่องในบ้านเลยตอนนี้ฮะเรื่องของตัวเองไม่รู้แต่ไรู้เรื่องคนอื่นหมดเลยนอกบ้านคนนั้นไปกับคนนี้คนนี้ไปกองคนนั้นคนนั้นไปมีอะไรกับใครคนนี้เรื่องโลกไปยังไงเรื่องอุ้ยเรื่องประเทศชาติเป็นยังไงเรื่องอะไรรู้ไมหมดเลยรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้วิญญางเดวเรื่องของตัวเองมันก็เลยพ้นทุกข แต่เรื่องของชาวบ้านรู้หมดเลยทุกทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองคือรู้เรื่องของกายกับใจตนเองไม่รู้อยู่อย่างเดียวเพราะอะไรคือสติไม่มีถ้าสติมีเนี่ยเออสติมีก็คือใจมันก็อยู่กับบ้านคือสติมีสติเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตใจเนี่ยมันออกไปอยู่นอกบ้านเอาใจส่งไปออกนอกบ้านถ้าใจมันไม่โ่ไปนอกบ้านมันก็รู้เรื่องในบ้านคือเรื่องในกายและใจของเราทั้งหมดเลยสติ ู็อย่างตอเ น, นื่องไอความรู้มันรู้ต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ต้องปรุงขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นเหมือนรู้โตปลอมอยู่มันก็จะแตกดับได้ถ้ามีกติตอเรื่องมันก็รู้มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเองเห็นเองรู้โดยไม่ต้องปรุงแต่งอะค่ะเหมือนทำอะไรอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้จินอยู่ก็รู้รู้โดยที่ไม่ต้องไปคิดไปนึกไปตึกตองอะไรอะ แล้วแต่รู้ตัวนี้มันก็จะเป็นรู้ที่ที่เป็นสังขารที่แตกดับได้ถ้าเพียรเวนมีสติอยู่รู้อยู่รูู้อย่ต่อเนื่องเนี่ยรู้ตัวแท้จริงมันก็จะเห็นขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมันจะรู้โดยที่เกิดขึ้นมาเองแต่ขงโยมจิมเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเหมือนถูกหมดเลยแต่ในใจจริงจริงปฏิบัติผิดข้างในอะ่ะ <Yeah. S 2> คือ รู้ของยอมจ Michelle, ริงเนี่ยผมอะไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้ได้แต่รู้ไม่อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้แต่ของยอมจริมเนี่ยไอ้รู้ของยอมจริงเนี่ยรู้จะไปเอาอะไรรู้ยังมีความต้องการอะไรอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มัต้องไม่ใชอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาใจเจตาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้รู้ของยอมจิงมันไม่ใช่เป็ น, ปนรู้ที่เป็นธรรมชาติแต่แท้ที่มันเลือกไม่ได้คัดแยกไม่ได้จัดการไม่ได้มันจะไปเอาอะไรไม่ได้มันจะไม่มันจะจะไปไปเอารู้ไปเอานี่ไม่ได้แต่ ของโยมจิมเนี่ยความรู้ของโยมจิมเนี่ยรู้เพื่อจะไปเอาอะไรอเพื่อจะไปเอาอะไรต้องอ่านใจตัวเองค่ะเพื่อจะไปเอาอะไรเอาทำจริงๆรู้ของโยมจิมเนี่ยพยายามรู้ที่มาปฏิบัติธรรมรู้รูร้เนี่ยมันก็เอาแค่รู้สัตวระลุเอาธรรมชาติเอาไปเอาคือไปเจอธรรมชาติรู้ที่ไปรู้แท้ๆไปเอาแค่ธรรมชาติแต่โยมจิมไม่จบแค่ธรรมชาตินะโยมจิมว่าถ้าเรารู้เลือแท้เดี๋ยวเรา จ, จะคะ มันมีต่อเออมีต่อไอ้ต่อเ น, นี่ยคือไม่ใช่แทะไม่ใช่แ ท, อนนท้อันนี้เทียมอันนี้เทียมผมไม่ได้อย่างใจหงุดหงิดได้ไม่ได้อย่างใจหงุดหงิดได้เลยเพราะว่ามันรู้แล้วไม่ได้อย่างใจมันยังไม่ได้อะไรอย่างใจมันก็เลยไปทุกข์ไม่สิ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่ว่าเรามาปฏิบัติมาเพื่อจะรู้ มาคบรู้มาเป็นรู้มาเารู้อย่างธรรมชาติมาเป็นรู้อย่างธรรมชาติแต่แฉรู้ธรรงชาติไม่ได้ไปเอามันหรอกก็คือว่าเรามีสติไม่ขาดปุ๊บมันก็เป็นรู้ธรรมชาติด้วยอัตโนมัติเราก็จะพบรู้เป็นรู้ธรรมชาติโด้วยอัตโนมัติก็จบแค่นี้แต่จริงๆไม่จบแค่นี้อ่ะใช่ไหมมันไม่จบแค่นี้มันจะไปเอาต่อจากนี้แล้วพอมันไม่ได้อย่างใจเสียทีไม่ได้อย่างใจเสียที มันเลยเครียดเพราะว่าเราไม่เราไม่จบแค่นี้มันก็เลยใจมันไม่จบไม่จบที่ใจมันใจมันไม่จบมันมันเลยมันเลยไม่จบที่ใจเพราะว่ามันมีต่อจากใจไปอีกใจมันเป็นธรรมชาติรู้มพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานคือถึงใจที่เป็นธรรมชาติรู้แท้แท้ก็มาจบที่ใจแต่นี้มันต่อจากใจไปอีกว่าเออถ้าเราเราปฏิบัติได้อย่างนี้แต่แท้เดี๋ยวตัวเราจะไปได้อะไรจ ก็ต้องรู้อยู่อย่างเปนเ็นธรรมชาติไม่ต้องไปหมายอะไรไม่ต้องไปปรารถนาอะไรพูดมันจะถูกแต่มันไม่ลงแก่ใจเย่อมจรีมันไม่ลงแก่ใจคือ่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าเออมันได้แต่รู้อย่างเดียวไม่ต้องไปหมายอะไรไม่ต้องไปคาดหวังอะไรแต่มีการมันจะไม่ลงแก่ใจเพราะอะไรคือมันไม่จบแค่ที่ใจของเราพอจบที่ใจตอนนี้ใจก็วา่างเปล่าไปเลยแต่ยเย่อมจงเออเราจะต้องคอยบอกว่า มือนกับเอคอยบอกคอยสอนตัวเองว่าเราจะไปหมายอะไรนะไปหมายอะไรให้มันจบแค่นี้จะไปหมายอะไรให้มันจบแค่นี้แต่จริงๆลลึกในใจยังหมายที่จะไปเอาอะไรสติสติรู้อย่างก่อเดื่แล้วก็รู้โดยทีรู้แบบไม่ได้ใจรู้โดยมาติอาเอาเอาเอไม่เลยมันยาเหมือนกันนการปฏิบัติธรรม คือมันมันเหมือนชาวโลกอ่ะชาวโลกจะไม่ให้ไปเอาอะไรไม่ให้ไปเอาอะไรมาปฏิบัติทําไมอ่ะมันก็จะคิดและถามอย่างเงี้ยแล้วจะปฏิบัติทำไมเพราะจะไปเพียรู้ทําไมจะเพียร์มีสติทําไมไม่ได้อะไรแล้วไม่ให้ไปเอาอะไรไม่ได้อะไรแล้ว้จะมาปฏิบัติทําไมอ่าย่อมจิตไม่จบแค่ที่ใจไม่ได้อะไรยังเห็นยังเห็นมันเป็นไม่จบแค่นี้ย่อมจิมยังเป็นแค่ความคิดตะกัดไว้ว่าไม่ให้มันไปต่อจากใจคือมันจะเป็นแค่ความคิดตะกัดไว้ แต่มันยังไม่จบที่ใจจบที่ใจเลิกขวายคว้าเดี๋ยวเขายืมเพลงเ็ามีบาไปหรือจบที่ใจเลิกขวคว้าจบที่ใจเลิกขวยคว้าถ้าไม่จบที่ใจเลิกขวยคว้าไปจบที่เราจะต้องได้อะไรเป็นที่หมายไว้อย่างเนี้ยอีกกี่จ้ากี่จาก็ไม่จบหรอกเพราะว่าไอ้ที่เราไปหมายไว้มันหนี้เราออกไปข้างหน้าเรื่อยเราไล่ตามหลังมันไม่มีที่จบสิ้นเพราะไอ้สิ่งที่เราไปหมายไว้ มันไม่มีไงเพราะมันต้องมาจบที่ใจเราแต่เราเนี่ยจะไปจบไอ้ที่อะไรที่เราไปคาดหมายไปข้างหน้า drum, มันจะหนีเราออกไปเรื่อยๆแต่เราไปจบท wow like ี่ใจตัวเราเองจบที่ใจก็หายเหนื่อยเลยไม่จบที่ใจไม่หายเหนื่อยเพราะมันยังไม่เลิกหาไม่เลิกหามันจะไปหาที่อื่นนอกจากใจตัวเองใจไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจกระเพื่อมได้ไม่อาจไหวตัวได้ไม่อาจดิ้นลนได้ มันจึงจบที่ใจที่หยุดดิ้นรนค้นหาหยุดแสวงหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดปรุงแต่งหยุดกิริยาจิตไม่เอาอะไรเลยไม่ปรารถนาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยเนี่ยมันจบที่ตรงนี้เปล่าๆบริสุทธิ์หยุดดิ้นรนหยุดแสวงหาแล้วเข้าใจที่หลวงตาเทศทุกคนแต่ทำไมมันมมันขาดตัวเดียวคือมันมันเรายังเอาตัวเราเนี่ย ขันห้าเนี่ยคือตัวเราจะไปเอาเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยคือจะเอาขันห้าไปเอาเอาคือที่สุดที่เราหมายไว้คือความสุขความสุขกันสูงสุดเออเออคือเอาเอ า, เอาขันห้าเนี่ยคือเอาตัวเราเนี่ยไปหาความสุขกันสูงสุดตรงนี้เนี่ยเป้าหมายอะ่ะมันผิดกับพพุทธเจ้าคือ เราจเจ้าตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าเนี่ยไปหาความสุขไปถึงความสุขที่สุดของการปฏิบัติคือตัวเราขันธ์ห้าไปได้ความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานมันเลยต่าง ก, กันตรงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้อะไรที่ก็ถามที่ถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าสละมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมาปฏิบัติจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าได้อะไรเจ้าบอไม่ได้อะไร ไม่ได้อะไรแต่บอกได้อย่างเนียวบอกได้ว่าอะไรหายไปไม่ได้อะไรแต่บอกได้ว่าอะไรหายไ ป, ไไไไไยไปคือความทุกข์และกิเลสหายไปแต่ของเราเนี่ยยังมีความปรารถนาอยู่คือยังเอาขันห้าเนี่ยจะไปเอาความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานอันเนี้ยพระนิพพานมันอยู่นอกใจนอกตัวเราเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปแสวงหาพระนิพพานที่อยู่นอกตัวเราคือความสุข ให้ตัวเราเนี่ยไปพบความสุขนั้นเราหาอย่างเนี้นานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยความสุขอันนั้นมันจะหนีเราไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะอะไรเรายังไม่ได้สมปัติธนาเรายังไม่สมปัติธนาเราจะเหนอยเหนื่อยเหนืเนือยราก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งดิ้นเพราะยังไม่สมปัติธนายังไม่สมปัติธนาเพราะอะไรความสุขมันหนีเราไปข้างหน้าเรื่อยเพราะอะไรเราไปปัตตานา ความสุขเอาตัวเราไปป่าถนาความสุขกันสึงสุดความสุขก็หนีเราไปเรื่อยตอนนี้เราก็ไขว่คว้ามันไขว่คว้ามันอ่ะมันก็ห่างเราไปเลยตอนนี้เพราะอะไรไอ้สิ่งนั้นมันไม่มีไงความสุขข้างหน้าแท้จริงอ่ะมันสุขที่จบที่ใจหยุดที่ใจหยุดดิ้นหลนหยุดแสวงหาหยุดป่าถนาหยุดอยากได้อยากถึงอยากเป็นมันหยุดที่ใจจบที่ใจหยุดที่ใจเลิกไขว่คว้าหยุดที่ใจเลิกไขว่คว้า แล้วก็จบลงที่ใจมันจึงไม่ได้อะไรแล้วที่เจะแต่ที่ท่านกล่าวว่าไม่ได้อะไรก็เพราะว่ามันใจมันมีอยู่แล้วจะไม่ได้อะไรก็มันเป็นมันก็พอใจของตัวเองอ่ะแล้วมันจะไม่ไม่เห็นได้อะไรเพิ่มก็คือใจมันก็มีอยู่แล้วมันเลยจึงไม่ได้ได้อะไรเพิ่มเพราะว่าใจมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่พบมันเพราะอะไรเหตุที่เราไม่พบมันก็จะเป็นอย่างของพุติ์ิมทุกคนคือเราดิ้นรนไขว่คว้าออกไปข้างนอก เราไม่กลับเข้ามาบ้านของเราใจเปรียบเหมือนใจคือบ้านของเราที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับคนทั้งหลายในโลกนี้คือไปหาความสุขนอกบ้านแต่ที่จริงอ่ะเขามารู้เมื่อคนพบที่สุดแล้วตะแหวงหาไปจนสุดไปนอกบ้านมาจนสุดแล้วไปแสวงหาความสุขนอกบ้านจนหาไม่เจอไงไม่เจอจนที่สุดเนี่ยเขากลับมาอยู่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะพบว่าบ้านของเขานนนเนี่ยนั่นแหละคือความสุขกันสูงสุด แต่เมื่อเขาย well, ังไม่รู้ว่าบ้านเขานี่มีความสุขกว่าทุกสุดไงเขาก็จะออกไปหาความสุขนอกบ้านว่าที่อื่นมันมีที่ดีกว่านี้ดีกว่าใจของเราที่อื่นนะมันดีกว่าใจของเราที่อื่นนมันดีกว่าใจของเราก็ไปแสวงหาความสุขที่นอกบ้านตราบใดที่เราเนี่ยยังที่หล่นแสวหาความสุขนอกบ้านเราก็ยังไม่ยอมรับเหรอใจพูดยังไงใจก็ไม่ยอมรับว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านนเนี่ยคือความสุขที่สุดจริงไรนะเพลงมีเพลงต้อยืมเพลงเข้ามาใช้อะไรนะ อะไรนะเพลงสมัยโบราณไปเลยนะไม่ไม่สูกใจเท่าบ้านเราอะไรนะไม่มีป่ะอะไรนะอะไรบ้านคือวิมานของเราอบ้านคือวิมานของเราแล้ะอะไรนะอะไรบ้านคือวิมานของเราแล้วอยู่ที่ไหนไม่สูกใจเท่าบ้านเราเนาะเป่เพลงของคนเก่ารุ่นเก่าอ บ้านอันนี้เนี่ยบ้านอันนี้ก็คือใจอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเท่าใจของเรานั่นแหละใจของเราที่อรหันต์ทั้งหลายอยู่กับบ้านอยู่กับใจอยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็ใจของเจ้าของนั่นแหละอยู่กับรู้รู้นี่คือใจของเจ้าของอยู่กับรู้อารานหันต์ทั้งหลายอยู่กับรู้อารหันต์นะเนี่ยอารหันต์ก็รู้เออต้งยืมเพลงเข้ามาใชา้อยู่ที่ไหนไม่สุขใจถ้าบ้านเราคือใจของเจ้าของมืองแต่ของเราเนี่ยมันจะเอาใจของเราเนี่ย ไปอยู่กับคนอื่นแล้วเราก็ว่ามันจะได้มีความสุขเอาใจไปอยู่กับลูกมีความสุขมากเอาใจไปอยู่กับสามีมีความสุขมากเอาใจอยู่กับภรรยามีความสุขมากเอาใจไปอยู่กับการทำงานมีความสุขมากเขานึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขามีความสุขแต่แล้วเขาก็สุขๆุขดิบๆเรื่อยไปไม่ว่าจะเอาใจไปอยู่ที่ไหนเขานึกว่าเอาใจไปที่ไหนแล้วจะมีความสุขแต่มันก็เป็นสุขสุดิบดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เมื so really shade, cool ่อได้อย่างใจก็รู้สึกเป็นสุขเมื่อไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเมื่อได้อย่างใจก็เป็นสุขไม่ได้อย่างใจก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเขาก็จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ไปเรื่อยเหมือนกับคนท่องเที่ยวไปในโลกเขาก็ไปแสวงหาความสุขที่นอกบ้านออกไปนอกใจออกไปนอกบ้านนอกใจออกไปเรื่อยๆไปแสวงหาท่องเที่ยวทั่วโลกเราก็ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เขามีความสุขที่สุดไปหาสิ่งที่ปนเปิ่นทั้งหมดอะไรก็ตามที่มาเปนเปิ่นเขาทั้งหมดยิ่งมีเงินมากก็ไปหาสิ่งที่ปนเปิก แต่เขาก็ดึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะทำให้เขามีความสุขอันสูงสุดตราบใดที่เขายังไปแสวงหาความสุขอย่างอื่นนอกจากใจของตัวเองเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงนี่แน่ที่พระเจ้าค้นพบเป็นพระ อ, องค์แรกก็คือทวนกระแสกลับมาพบว่าความสุขไม่ได้อยู่นอกใจความสุขคือใจของเราเองผู้ใดพบใจ ผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพาณิพาน